ให้แก่จิตใจที่จะเป็นจะมีความสุขได้ จ, จิตใจก็ต้องมีปัจจัยสีาสำหรับดูแลจิตใจเหมือนกับร่างกายที่ต้องการปัจจัยสีถึงจะอยู่ได้อย่างปกติอยู่อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ไม่เจ็บคายได้ป่วย ก็คือร่างกายต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่หงห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคถ้ามีครบทั้งสี่อย่างนี้ร่างกายก็จะอยู่อย่างสุขสบายไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการปัจจัยสี่ เหมือนกับร่างกายเทียมแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนี่ไม่เหมือนกับปัจจัยสีของร่างกายเช่นอาหารของใจคืออะไรอาหารของใจก็คือบุญ<ฮ>การทำบุญทำทานแล้วเครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไรก็คือศีล ที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิและยารักษาโรคของใจก็คือปัญญาถ้าใจขาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งใจก็จะไม่เป็นปกติไม่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะอยู่ด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจรุ่มร้อนจิตใจว้าวุ่นขุ่นบัว พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูปว่าพวกเรานี้เป็นสองคนเป็นฝาแฝดเรามีสองส่วนด้วยกันในชีวิตของเราเรามีร่างกายและเราก็มีใจแต่เราไม่รู้จักใจของเราเราคิดว่าใจของเราอยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายได้ปัจจัยสี่แล้วใจก็จะสบายไปด้วย แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นญาติโยมก็คงจะรู้กันเพราะญาติโยมทุกคนตอนนี้ก็มีปัจจัยสี่ให้กับร่างกายกันทุกคนมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่หงห่มไม่สวมใส่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทำไมใจยังไม่สบายใจทำไมถึงเดือดร้อน ใจทำไมถึงวุ่นวายใจทําไมถึงขุ่นมัวใจทําไมถึงทุกข์ไปกับเรื่องต่างๆนั่นก็เพราะว่าพวกเราไม่ได้ให้ปัจจัยสี่กับใจนั่นเองใจเลยเป็นเหมือนคนที่ไม่มีปัจจัยสี่เม็เป็นเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีปัจจัยสี่เวลาร่างกายขาดอาหารเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ถ้าอดอยากขาดแคลนถ้าไม่มีเครื่องนุ่งหม่มเป็นอย่างไรหน้าดูไหมถ้าเราออกจากบ้านโดยไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นี้เราอยากจะออกมาไหมแล้วถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะเดือดร้อนไหมระยเวลาค่าคืนเวลาที่เราต้องการพักผ่อนหลับนอนถ้าเราไม่มีที่ปลอดภัยไว้หลับนอนเราก็ไม่สบาย เดือดร้อนได้อาจจะถูกภัยคุกคามได้อาจจะโจนโดนมิจฉาชีพมาลุมทำร้ายได้มาลักทรัพย์ของเราได้หรือถ้าฝนฟ้าอากาศฝนตกก็จะเปียกได้แต่ถ้าเรามีบ้านอยู่เราก็จะปลอดภัยเวลาเราไม่สบายร่างกายไม่สบายเราก็ไปหาหมอหายามารักษาร่างกาย นี่คือร่างกายของเราได้ปัจจัยสครบบริบูรณ์ร่างกายของเราจึงไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร<ม>่ไอตัวที่ปัญหาก็คือใจของพวกเราวุ่นวายอยู่ทุกวันวุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้เดือดร้อนกับเรื่องนั้นเดือดร้อนกับเรื่องนี้เสียใจกับคนนั้นเสียใจไปกับคนนี้นี่คือใจของพวกเรา ที่เราไม่ได้ให้ปัจจัยสีครบบริบูรณ์นั่นเองนานๆจะให้สักครั้งหนึ่งเช่นวันนี้เราก็มาทําบุญกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็เท่ากับให้อาหารใจถ้าเรามารักษาศีห้ากันเราก็จะได้เสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ถ้าเรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบเราก็จะมีที่หลบภัยถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้ปัญญาก็จะมารักษาโรคเครียดต่างๆของเราใจของเราก็มีโรคเหมือนกับร่างกายโรคของใจก็คือโรคเครียดนี่เครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้แต่ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาก็จะสามารถเอาปัญญานี้มารักษาความเครียดได้นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กัน ถ้าเราไม่มาวัดนี่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าทำไมเราต้องมาทำบุญทำไมเราต้องมารักษาศีลทำไมเราต้องมานั่งสมาธิทำไมเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความฉลาดก็เพราะว่าเรามีสองส่วนเรามีร่างกายแล้วเรามีใจร่างกายนี้เรารู้จักดูแลรักษาร่างกายไม่มีปัญหา เราหาอาหารได้หาเครื่องนุ่งห่มมาให้ร่างกายได้หาที่อยู่อาศัยได้หายารักษาโรคได้เราก็คิดว่าพอแล้วที่ว่าร่างกายมีครบสีอย่างเราก็น่าจะสุขสบายแต่ใจเราไม่ได้สุขสบายไปกับร่างกายเพราะใจเราเป็นคนละคนกับร่างกายเหมือนกับเราเลี้ยงคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเราไม่เลี้ยง คนที่เราไม่เลี้ยงมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็ต้องอดอยากขาดแคลนแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปก่อนเวลาอันควรเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเลี้ยมคนเดียวสมมติว่าเรามีลูกฝาแฝดเราเลี้ยงแต่คนน้องแต่คนพี่เราไม่เลี้ยงคนพี่จะอยู่ได้ไหมคนพี่อยู่ไม่ได้คนพี่จะต้องตายไปอย่างแน่นอนเพราะเราเลี้ยงน้องคนเดียว พี่เราไม่เลี้ยงเลยใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนฝาแฝดใจกับร่างกายนี่ก็เป็นฝาแฝดร่างกายนี้เป็นแฝดน้องใจนี้เป็นแฝดพี่พี่นี่แหละเป็นคนดูแลน้องเป็นคนาพาน้องไปทำอะไรต่างๆคือใจของเรานี่แหละเป็นคนเลี้ยงน้องเป็นคนหาปัจจัยสี่มาให้กับน้องแต่ไม่รู้จักหาปัจจัยสี่ให้กับตัวเอง เราคิดว่าตัวเองเป็นเนาคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็เลยดูแลน้องอย่างดีหาข้าวมาให้มันกินหาเสื้อผ้าให้มาใส่หาบ้านให้อยู่หายารักษาโรคมาให้น้องก็เลยอยู่อย่างอิ่หนี้ผีมันสมัยนี้น้องบางคนนี่อ้วนกลายเป็นตุ่มเลยเนะพราะพี่เนี่ยคอยเลี้ยงดูน้องแต่ตัวพี่นี่ผอมหิวโหย ใจหิวโหยอยากไปกับสิ่งต่างๆก็เพราะว่าเราไม่เคยให้อาหารกับใจแล้วใจเราก็ไม่สวยงามเพราะเราไม่ให้ศีลไม่ให้เสื้อผ้าไว้ใจเราไม่ไม่มีศีลก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เป็นคนที่ไม่สวยงามเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ ชันใดคนที่ไม่มีศีลใจที่ไม่มีศีลก็เป็นใจที่น่าเกลียดใจที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดนึ่งสุรายามานี่คือใจที่ไม่มีเสื้อผ้าจะไม่สวยงามจะไม่เป็นที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีของผู้อื่นเพราะเราไม่รู้ว่าใจของเราก็ต้องมีเสื้อผ้าเหมือนกับร่างกาย เรามวงแต่ไปหาซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาให้ร่างกายใส่แต่ใจเราไม่มีศีลเราก็เลยกลายเป็นคนน่ารังเกียจไปทั้งๆที่เราใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่พอเขาเห็นว่าเราเป็นคนโกโหกหลอกลวงเขาก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราถึงแม้จะใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆทำเผ้าทำผมทำหน้าทำตาให้ดูเหมือนเป็นดาราภาพยนตร์ เขาก็ไม่อยากจะคบกับเราถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีศีลถ้าเขารู้ว่าเราชอบโกหกชอบไปยุ่งกับสามีภรรยาของเขาชอบไปลักทรัพย์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบดื่มสุรายาเมานี่คือลักษณะของใจที่ไม่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าของใจคือศีลถ้ามีศีลแล้วถ้าใจมีศีลแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายจะใส่เสื้อผ้าเก่าๆใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีราคาแต่จะไม่เป็นที่รังเกียจคนจะรับคนจะชอบดูพระสงฆ์องค์เจ้านะท่านไม่ได้สวยงามทางร่างกายเลยพระพุทธเจ้าไม่ให้พระมาคอยเสริมความงามทางร่างกายผ้าเสื้อผ้าจีวรสมัยก่อนก็ให้ไปเอาผ้าหอ่อศพมาเย็บมาตัดมาทำเป็นจีวร แล้วก็ผมเภาก็ไม่ให้ทำให้โกนผมทิ้งไปให้มาสวยทางใจให้มาสวยด้วยการรักษาศีลสองร้อย2ี่ข้อที่ศรัทธาญาโยมเข้ามาหาพระได้อย่างสนิทใจมีความรักมีความเคารพมีความชื่นชมยินดีกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่าท่านไม่ได้สวยทางร่างกายร่างกายนี้ท่านไม่มีอะไรน่าดูเลย ผมผ้าก็ไม่มีผ้าก็เป็นผ้าแบบผ้าที่ตัดแล้วผ้าที่ขาดแล้วเอามาปะเอามาเย็บเอามาต่อแต่ท่านสวยทางใจความสวยทางใจนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ชนะใจคนไม่ใช่สวยทางร่างกายร่างกายจะสวยขนาดไหนถ้าใจไม่สวยแล้วรับรองได้ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะ ถ้าเข้าใกล้แล้วเดือดร้อนถ้าเกิดเวลาโกรธขึ้นมาก็ฆ่าเราได้ถ้าอยากจะได้ของอะไรของเราก็ขโมยชอบแฟนของเราก็เอาแฟนของเราไปโกหกหลอกลวงไปไม่มีพูดความจริงแล้วก็ชอบดื่มสุรายาวเมาพอเมาก็อาวาดอย่างนี้มีใครอยากจะเข้าใกล้ต่อให้เป็นนายแบบนางแบบเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนางงามจากประวัต ก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะไม่ได้สวยทางใจสวยแต่ทางร่างกายแต่ทางใจนี้อับประลับน่าเกลียดน่ากลัวนี่คือเสื้อผ้าอาภร์ของพวกเราของใจของพวกเราคือศีลถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักในคนชื่นชมยินดีมีคนเคารพนับถือมีคนเชื่อถือเชื่อใจเราต้องมา เอาเสื้อผ้าให้กับใจมารักษาศีลกันรักษาศีลห้าอย่างต่ำต้องรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลแปยิ่งเป็นที่น่ารักน่าสวยงามยิ่งขึ้นใหญ่ถ้ารักษาศีล2อรก็อย่างที่ญาติโยมเนี่ยมาหาพระอย่างสนิทใจไม่เคยคิดว่าพระนี้จะทำร้ายเราไม่เคยคิดว่าพระจะมาโกหกหลอกลวงเรา มีแต่พระจะให้สิ่งที่ดีกับเราคือธรรมะความจริงที่จะทําให้พวกเรานี้มีความสุขมีความเจริญมากขึ้นไปตามลําดับความสุขความเจริญนี้ไม่ได้หมายถึงความสุขความเจริญทางร่างกายแต่เป็นความสุขความเจริญทางจิตใจใจจะมีความสุขมากขึ้นใจจะเป็นเป็นมีฐานะที่สูงขึ้น จากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยเจ้านี่คือเหตุที่ญาติโยมมาหาพระกันที่มีรูปร่างหน้าตาไม่ไม่สวยงามเหมือนดาราภาพยนตร์แต่มีจิตใจที่สวยงามมีจิตใจที่มีความรู้ความฉลาดมีปัญญาที่จะเอามาสั่งมาสอนให้พวกเรานั้น ได้มีที่พึ่งทางใจมีปัจจัยสี่วันนี้เราได้รู้สองอย่างแล้วเรารู้แล้วว่าที่เราหิวโหวยกันก็เพราะว่าเราไม่ทำบุญถ้าเราทำบุญแล้วเราจะอิ่มใจเราจะไม่อยากได้อะไร อ, ะอย่างนั้นต่อไปเวลาจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากอย่าไปซื้อเพราะซื้อแล้วมันไม่อิ่มซื้อแล้วมันอยากจะซื้อเพิ่ม ไปซื้อของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นของใหม่ก็อยากจะซื้ออีแต่ถ้าเอาเงินที่จะไปซื้อของไม่จําเป็นนี้มาทําบุญใจจะอิ่มแล้วจะไม่อยากจะซื้อของนี่คือการให้อาหารใจต้องให้ด้วยการทําบุญอย่าให้ด้วยการไปทําซื้อของตามความอยากต่างๆเพราะอันนั้นเป็นเหมือนกับให้ยาเสพติดให้ยาเสพติดแล้วมันติดมันอยากจะเสพอยู่เรื่อยๆ ังนั้นอยากไปให้ให้ข้าวข้าวของใจก็คือบุญพอทำบุญแล้วก็จะเหมือนได้กินข้าวกินข้าวแล้วก็อิ่มแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวเอาไปเล่นอันนี้เหมือนกับไปซื้อยาเสกติดซื้อแล้วก็ติดอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอยากจะซื้อไปเรื่อยๆวันไหนไม่ได้ซื้อก็หงดหงิดลำคาญใจหิวโหวยนี่คือ วิธีที่จะให้ปัจจัยคืออาหารกับร่างกับใจของเราก็คือต้องทำบุญเสื้อผ้าก็ต้องรักษาสิแล้วบ้านที่อยู่อาศัยก็คืออะไรก็คือสมาธิความสงบเวลาใจสงบแล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ข้างนอกช่วงนี้ช่วงฤ ด, ดูร้อน เวลาอยู่ข้างนอกมันร้อนแต่พอแล้วได้เข้าไปอยู่ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศเข้าไปแล้วมันเย็นสบายนอนพักผ่อนได้ปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงกับภัยต่างๆเหมือนกับเวลาที่อยู่ข้างนอกใจของพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้ใจของพวกเราอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วมันก็ทําให้ใจเราวุ่นวาย พระบางทีเราก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบไปฟังเสียงที่เขาด่าเราไปเจอคนที่เขาเกลียดขี้หน้าเราพอเราไปเจอรูปเสียงที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรากลับเข้าไปในบ้านได้เข้าไปในห้องปรับอากาศได้ความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปวิธีที่จะเข้าไปในบ้านของเราก็คือต้องมานั่งสมาธิกันมาเจริญสติ ท่องพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรไม่สบายใจรีพุทโธไปเลยพุทโธพุทโธไปหามุมสงบที่ไหนก็ได้ไปนั่งในห้องน้ำพุทโธพุทโธไปพอไม่ได้เห็นสิ่งที่เราไม่พอใจไม่ได้ยินเสียงเสียงที่เราไม่พอใจแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป เหนียวใจก็จะลืมเรื่องราวที่ไม่พอใจไปแล้วความวุ่นวายใจก็จะหายไปความสบายใจความเย็นใจก็จะโผล่ขึ้นมานี่คือบ้านของเราคือสมาธิความสงบของใจลังงับจากการไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสรับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้เรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้ด้วยการดึงใจให้เข้าข้างใน ถ้าเราไม่มีพุโทโธใจมันจะออกไปหาคนนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันหลงเพราะมันคิดว่าได้เห็นคนนั้นคนนี้แล้วจะมีความสุขแต่บางทีไปเห็นคนที่ไม่ไม่ถูกใจเขาแทนที่จะมีความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความทุกข์เราก็ต้องถอยหลังกลับเข้าบ้านดีกว่าพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปมีเรื่องลวลากับคนที่เราไม่ชอบ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาถ้าเจอคนที่ไม่ชอบก็ถอยหลังดีกว่าเข้าเกียร์ถอยหลังท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดึงใจกลับเข้าบ้านพอใจเข้าไปในบ้านแล้วใจก็จะเย็นจะสบายจะเลิมเรื่องคนที่ทำให้เราไม่สบายใจได้นี่คือวิธีสร้างบ้านให้กับใจของเราเพื่อเวลาที่ใจเราเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่าง เราก็กลับเข้าไปในบ้านด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปส่วนเวลาที่เราใจเราไม่สบายเราไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้เราก็ต้องใช้ยารักษาโรคคือปัญญาเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านได้ไม่สามารถพุโทโธได้ ก็ให้ใช้ปัญญาแทนให้ปรงว่าอ ะ, อะไรจะเกิดก็เกิดอ ะ, อะไรที่มันเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ชีวิตของเรามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างแต่เราจะสามารถอยู่เหนือความเดือดร้อนวุ่นวายใจกับความทุกข์ได้ถ้าเราปร่งได้ยอมรับว่านี่เป็นเรื่องของวิบาสของเรา เราเคยทำบุญทำกรรมมาเราก็เลยต้องมารับผลบุญผลกรรมของเราเวลาชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองก็กาลังรับผลบุญเวลาที่ชีวิตเราตกต่ำก็กาลังรับผลบาปแต่เราจะไม่ต้องทุกขกับมันเราจะสามารถอยู่กับความทุกข์ยากลำบากไดา้อย่างไม่เดือดร้อนใจถ้าเรามีปัญญายอมรับว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา ในชีวิตของคนเราทุกคนมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดก็ต้องมีดับพวกเราทุกคนมาเกิดนี่เดี๋ยวเราก็ตายกันไปทุกคนไม่มีใครเอาอะไรไปได้เพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่ทุกเวลาที่เราต้องพัดผ้าจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปขอให้เรามันสอนใจอยู่ได้เรื่อยว่าเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่า เวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าเวลามาไม่ได้เอาเงินทองมาไม่ได้เอาสามีเอาภรรยาไม่ได้เอาลูกมาเวลาตายไปก็ไม่ได้เอาเงินทองไปไม่ได้เอาภรรยาไม่ได้เอาสามีไปไม่ได้เอาลูกเอาหลานไปให้คิดอย่างนี้ดีเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราเจอกับเรื่องที่เราไม่ชอบมันจะทำให้เราไม่ทุกข์ได้ เราจะโปรงได้เราจะคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีจะเสียอะไรก็ให้มันเสียไปเสียไปถ้ายังมีปัญญามีความสามารถก็หาใหม่ได้แต่ก็ต้องรู้ว่าหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องทิ้งไปหมดเวลาที่เราตายไปสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือปัจจัยสี่ของใจเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมา มาสะสมกันอยาสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทางร่างกายให้มาสะสมปัจจัยสี่ของใจด้วยการมาทำบุญกันมากๆรักษาศีลกันมากๆนั่งสมาธิกันมากๆแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพ่อเราจะได้ไม่หลงว่าเรานี่ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปกับเราได้เลย ของทุกอย่างที่เราหาได้นี้ในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของชั่วคราวเป็นของเขาให้เรายืมมาใช้มาเล่นเท่านั้นเองเดี๋ยวพอเวลาเราตายไปสิ่งที่เราไปได้ก็คือปัจจัยสี่ของใจคือบุญบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้าเรามีปัจจัยสี่ไปกับเราเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่ชั้นเทพชั้นโพรงไปสู่ชั้นอริยเจ้าและไปสู่ชั้นนิพพานในที่สุดขึ้นอยู่กับบุญที่เราสร้างกันว่ามีมากมีน้อยถ้าสร้างบุญได้ครบร้อยเราก็จะไปถึงพระนิพพานนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะมาสร้างกันมาหากันคือปัจจัยสี่ของใจ อย่าไปหาปัจจัยสี่ของร่างกายมากจนเกินไปพอร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วเอาเวลาเอาเงินเอาทองมาสร้างปัจจัยสี่ของใจด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และตายไปเราก็จะไปอยู่ที่ที่มีความสุข ถ้าเราสามารถสร้างบุญได้ร้อยเปรเซนเราก็จะไปอยู่ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอรหันตาสาวกคือไปอยู่ที่พระนิพพานทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการที่ท่านทั้งหลายเอาเวลาที่ท่านมีอยู่ในวันหยุดทำงานมาวัดกันขอให้มาบ่อยๆมาเรื่อยๆมาให้มากขึ้น ยิ่งทายิ่งได้เหมือนกับการขุดทองถ้ายิ่งขุดก็ยิ่งได้ทองมากถ้าขุดน้อยก็ได้ทองน้อยเพราะฉะนั้นขอให้เราอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าเสียดายเวลาที่จะไปเที่ยวไปเล่นเอามาทำบุญเอามานั่งสมาธิเอามาฟังเทศฟังธรรมดีกว่าเพราะเรากำลังขุดทองขุดสมบัติที่เราจะสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ เราจะไปอย่างมหาเศรษฐีจะไม่ได้ไปอย่างขอทานจะไม่ต้องมามาวนเวียนอยู่แถวบริเวณวัดมาขอส่วนบุญจากพวกเรา<ม>พวกที่เข้ามาขอส่วนบุญจากพวกเราก็เป็นพวกที่ไม่ได้ทำบุญไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นเองแต่พวกเราทำบุญกันอย่างสม่าเสมอ<ม>เวลาเราตายไปเราจะเป็นมหาเศรษฐีบุญ<ม>ถึงขอฝากเรื่องของการมา ดูแลจิตใจของพวกเราด้วยการหาปัจจัยสี่ของจิตใจคือการทำบุญทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธิการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิิศพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้จิตใจของท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ